วันนี้วันพระใหญ่นะวันนี้ดับเดือนสิบไม่ใช่เหรอมันบอกไปไัญญายังไฮะเมื่อนีเมื่อดับเดือนสิบตัวมือนอี้ต่อไปขึ้นเดือนสิบเบตะขึ้นเดือนสิบเอตอีกฝักหนึ่งก็ออกปันสานตัว เดี๋ยววันนี้ใครจะไปก็ไปเน่ไปกลับหลวงปู่จนเรียนเน่มานีฉั น, น้าฮ้อนแล้วบ่ายมงใครจะไปก็ไปเตรียมตัวบอกนัดนัดแนะกันเอารถอะไรไปบ้างถ้าเราจะไปแต่เช้านี่แคมจะเยอะเราไปช่วงบ่ายจะดียังมีวัดที่เราจะต้องไปอีกวัดหมากย่ารองจังหวัด วัดขันทเสมาน้องโบบาลวัดเจ้าหน้าอําเภอวัดหลวงปู่เพงท่ากลางเพลนแต่ว่าวันนี้จะไปแค่ท่ามสายวัดเดียววันนี้อาจจะเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันที่เท่าไหร่วันอาทิตย์เราจะไปท่ามกลางเพลน ไปวัดยโสธรอำเภอท่ามกงเพน <c oughs> วัดรองยโสธรจังหวัดสาวัดนี่อยู่ใกล้ๆกันนี <c oughs> เ่เราไปเราไปวันนั้นเราไปสาวัด <c oughs> แต่วันนี้เราจะไปแค่วัดเดียววันนี้ <c oughs> ไปก็ไปบงเบงบงเบงบงเบงเนอะ <c oughs> อยู่อย่างนี้มันอิสระยังไงก็ไปยังงั้นก็ไปอิสระอย่างงั้นแหละ ละก็อิสระยอมก็อิสระต้องนึกถึงวัดหลวงตาเด้อ ว, วัดนี่วัดหลวงตาเนี่ยช่วยดูแลประคับประคองกันดูแลตัวเองประคับประคองตัวเองนั่นแหละพวกเราอยู่แบบสบายสบาย แม้แต่ความเป็นอยู่ในบ้านเราก็อยู่แบบสยสบายลองไปอยู่กับอีกรัฐที่หนึ่งลองดูเขาอยู่แบบตรวจสอบกันเลย mm hmm. เข้าใจไหมคําว่าอยู่แบบตรวจสอบกันนะเข้าใจไหมอยู่แบบจับผิดกันรู้จักไหมอยู่สุขสบายไหมถ้าเราอยู่แบบจับผิดกันเนะ่ะคอยอยู่คอยจ้องจับผิดกันนะ่ะอยู่สบายไหม พวกเราอยู่อย่างสังคมชาวพุทธอยู่อย่างอิสระเสรีประชาธิปไตยแต่นั่นแหละประชาธิปไตยกลยเป็นอัตตาธิปไตยซะเป็นส่วนมากตามใจฉันตามใจฉันเนี่ยไม่มีระบบไม่มีระเบียบอะไรล้วมเละลองไปอยู่ในสังคมที่เขาตรวจสอบกันดูนะอ่ะคนนั้นทําไมแปลกๆเลยนะคนนั้นทําไมแปลกๆเลยนะ ถูกเรียกตรวจสอบแล้วส่วนห น, หนึ่งลงประชาทันแล้วนั่นสังคมคอมมิวนิสต์แต่ก่อนก็เป็นแบบนี้แหละระบบคอมมิวนิสต์ก็บแบบนี้แหละตะกีนะอยู่แบบอยู่แบบตัวใครตัวมันตรวจสอบกันเนี่ยใครมือมีพฤติกรรมแปลกๆอะไรก็ถูกเช็คปลุกถูกตรวจสอบอยู่เรื่อยอยู่แบบจับผิดกัน สังคมชาวพุทธเราเราไม่อยู่แบบจับผิดกันเราอยู่แบบช่วยส่งเสริมสนับสนุนคุณงามความดีแก่กันและกันช่วยพยุงคุณงามความดีแก่กันและกันไม่จับผิดเพื่อที่จะคอยเอาลงโทษกันคอยบอกกันคอยเตือนกันคอยแน่กันคอยชักกันคอยพยุงกันนี่สังคมชาวพุทธเรา อยู่แบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอยู่แบบช่วยเหลือกันอยู่แบบเมตตารีกันนี่สังคมชาวพุทธเราเราจะอยู่กันห้าคนสิบคนเราก็อยู่อย่างนอนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนอนตายใจหลับสบายลองไปอยู่แบบสังคมก็ตรวจสอบกันดูมันคอยแต่จะราแวงกันนะ คนเราถ้ามันจะตรวจสอบกันก็คือมันจะต้องอยู่อย่างหวาดระแวงไอ้เรื่องระแวงเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดโอกาสที่มันจะพิสูจน์ให้เห็นข้อเท็จจริงมันจะไม่ค่อยมีแหละระแวงระแวงระแวงกันสัหน่อยหนึ่งเก็บกันแหละระแวงสัหน่อยหนึ่งเก็บกันแหละเอาสิลองดูสิมีความสุขไหม มันเป็นระบบที่เขาใช้ระบอบปราบข่มกันได้เลยแหละแต่ถ้าเป็นไปเพื่อระบบเพื่อระเบียบเพื่อศีลเพื่อธรรมนี่อันนี้เป็นเป็นไปเพื่อความเจริญแต่ถ้าเป็นไปเพื่อเพื่อความเอาโทษกันเนี่ยค่อยจับผิดกันเนี่ยลองดูที่ไม่ต้องมากดอกไม่ต้องหลายคนดอกแต่แค่กับผัวกับเมียลองลองค่อยจับผิดกันลองดูผัวค่อยจับผิดเมียเมียค่อยจับผิดผัวลองดู สักหน่อยหนึ่งมันก็อยู่อย่างหวาดระแวงแหละเพราะอะไรเพราะมันมันไม่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันนะมันก็รหวาดระแวงแหละแล้วถ้าเปลือไม่ได้ศึกษาธรรมะเข้าไปเลยนะ่ะมันมีเรื่องกิเลสออกมาทั้งดุนทั้งดุนเนี่ยเราจะเอาอะไรเป็นเป็นที่ฝังใจเป็นที่ฝักใจได้เอาอะไรเป็นที่มั่นใจเป็นที่เชื่อใจได้ว่าเหตุผลเหล่านั้นถูกต้องดีงามสัก <c oughs> หน่อยหนึ่งคนนี้โดนเก็บแล้วอ้าวสัหน่อยหนึงคนนั้นโดนเก็บแล้ว เอาสวนหนึ่คนนี้โดนเล่นงานแล้วคนนั้นโดนเล่นงานแล้วเนี่ยมันมีอยู่เดี๋ยวนี้มันมีอยู่ในระบบในลัทธิที่เขาอยู่ยังตรวจสอบกันเนี่ยพอเราถ้าเราอยู่ตรวจสอบกันแบบว่าเออคนนั้นทำไร่ยางคนนั้นตั้งใจรักษาศีลไม้คนนั้นท่ายทานะยังคนนั้นมีโอกาสไปไปฟังเทศไหม้ไปอะไรไหม พยุงกันชุกชักกันโจงกันมีข่าวร้ายข่าวดีก็บอกกันแนะกันเตือนกันชักจูงกันนีสังคมชาวพุทธเราเราอยู่ด้วยกันอย่างนี้เพราะเพรา ะ, ะฉะนั้นพวกเราจึงจึงอยู่อย่างอย่างเชื่องอย่างเชื่องอย่างคุ้นคุ้นหูคุ้นตา คุ้นจิตคุ้นใจแก่กันเลยกันเราอย่างไม่จะไม่อยู่อย่างหวาดระแวงความระแวงก็คือความต้องระวังระวังมากๆก็คือต้องกลัวกลัวมากๆเขาเ้าเครียดเครียดมากๆเขาเ้าเป็นประสาทเป็นประสาทมากๆเขาเ้าบ้าใยนั่นเห็นไหมมีจิตใจดวงเดียวพุทธเจ้าท่านสนอนไว้ดีแล้วท่านฝึกฝนอบรอมมาได้ เจอขุมทรัพย์อันดิบดีแล้วยึดเอาถือเอารักษาเอาปฏิบัติเอาทั้งคนงทั้งธรรเอาเองไม่มีใครทําให้ดอกทั้งคนตั้งทําเอาคนนั้นทําคนนั้นได้คนนี้ทําคนนี้ได้คนนั้นยังไม่ทําเอาบอกให้ให้ทําผัวยังไม่ทําบอกให้ทําเมียยังไม่ทําบอกให้ทําทําทานรักษาศีล น, นั่นน่ะภาวนานั่นน่ะ ใครยังไม่ทำก็บอกกันให้ทำอย่าไปอยู่อย่างระแวงจับผิดมันกลายเป็นลัทธิอุบาทเดี๋ยวมีเดี๋ยวนี้มันกำลังระ บ, บาดในประเทศไทยเดี๋ยวนี้หาดีหาความสุขสี่ฟังไปมุมไหนของโลกก็มีตรฆ่ากันฆ่ากันฆ่ากันเนี่ยมแตรลัทธิอุบาทเนี่ยแหละมันฆ่ากันเราฟังลองเอาดูสี่เออ ให้เราจับหลักง่ายๆว่าสังคมในโลกนี้แสวงหาความสุขด้วยกันทุกคนศาสนาเกิดขึ้นเพออราะเพราะคนหาที่ยึดหาที่เกาะเพื่อความสุขนั่นเองศาสนาบางศาสนาเช่นอย่างศาสนาพุทธเราอุบัติขึ้นมาเพื่อปราบกิเลส กิเลสมีอยู่ในหัวใจทั้งหมดเท่าไร่มีมากน้อยเท่าไรปราบตั้งใจปราบหมดทั้งแม่ทั้งลูกทั้งเต้าหลานเลนปราบตั้งใจจะปราบมันหมดพุทธเจ้าพาปราบกิเลสคืออะไรกิริยาของกิเลสคืออะไรให้ทุกข์ให้โทษอะไรยังไงสอนหมดให้พวกเรารู้จักไม่งั้นไม่รู้จกักหน้าจากตามรู้จักตัวจากตัวมันก็ไม่รู้ จ, ก, จ, ก, ไจกไปปราบอะไรจะไปทําอะไรจะเจอติด ต, ตัวเองเจอปราบอะไรก็จิตติดตัวเอง ให้จำให้แม่นว่าศาสนาพุทธสอนให้เราปราบกิเลสกำจัดกิเลสในตัวเองในหัวใจของตัวเองศา ส, สนาอื่นลัทธิอื่นตรงกันข้ามส่งเสริมกิเลสเต็มร้อยเกินร้อยถ้ามีพันก็ส่งเสริมเป็นพันส่งเสริมเป็นเสริมเป็นหมื่นส่งเสริมเป็นแสนส่งเสริมกิเลสศาสนาหนึ่งเกิดมาเพื่อปราบกิเลส ศาสนาหนึ่งเกิดมาเพื่อส่งเสริมกิเลสทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งหลานทั้งเลนทั้งหล้นของกิเลสเนี่ยขุดขุดมันมาส่งเสริมหมดเราคิดดูทีบุตริยาท่านทรงตรัสว่ากิเลสเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงในเมื่อเราถูกยุยงกับสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นน่ะไปอยู่กับสังคมชาวพุทธตรงไหนชาวพุทธก็แตกกระจิง ใระจะพูดเรามีแต่เมตตากรุณาเมตตาเบิกขาน้องไปอยู่ตรงไหนก็แตกกระจ่งหมดแหละพระพุทธเจา้าส่าสอนไปอย่างหนึ่งมันก็เข้ามันก็เข้าทางเข้าพอดีแหละเขาก็ตามเหยียบตามเหยียบตามเหยียบตามเหยียบเอาหมดไอ้สิ่งที่พายเหยียบคืออะไรเขาก็ไม่รู้ว่าจะได้เอาว่าจะได้เอาว่าจะได้เอาว่าจะได้คลองโลกเอาว่าได้คลองโลกเอาในที่สุดร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไป ยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายกินก็แค่ครั้งละอิ่มเท่านั้นเองนุ่งห่มก็แค่ครั้งละชุดเท่านั้นเองที่อยู่หลับนอนก็แค่ยาวากว้างสอกเท่านั้นเองก็นอนแค่นั้นเองแต่สมบัติมากมายมหาศาลอยากได้กับหนึ่งโลกยังไม่พออยากได้สองโลกสองโล ก, กยังไม่พอสามโลก สามโลกก็ยังไม่พอไอ้ตัวที่มันพาให้ไม่พอคืออะไรไม่รู้จักเสียเปรียบไหมเสียเปรียบเป็นเยือเป็นธาตุเขามันตลอดไม่รู้เรื่องไม่รู้สึกเราฟังดูแล้วพวกเราโชคดีหรือโชคร้ายพุทธศาสนิกชนของเราเราโชคดีหรือเราโชคร้ายนะถ้าเราไม่รู้จักคิดอย่างนี้เราก็ลืมตัว ลืมตัวมีสิ่งดิบสิ่งดีพุทธเจา้าพระศพสงสารพระอริยะสาวกครูบาอาจารย์ยิบยื่นให้ไม่สนอาจทำไม่สนแต่ถ้าไปเป็นกิเลสยิบยื่นให้ความมัฟความมัฟความมัฟท่านสอนอยู่แล้วว่ากิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์กิเลสเป็นเหตุให้ก่อทุกข์ตัวกิเลสคืออะไรลักษณะกิริยาอาการของกิเลสเป็นยังไง มันแสดงผลิตผลออกมาถึงหัวใจขึ้นมาแล้วเป็นสุขจริงไหมท่านก็บอกไว้หมดราคะโทสะดูสิมีแต่ไฟนั้นน่ะราคะคิโทสะคิมันมาจากความหลงไม่ยอมพิจารณาตัวเองโมหคินี่เราจะเอาอะไรทีนี่เรารู้หมดแต่เราไม่ยอมเอาเนี่ยเราจะไปโทษใครเวลาความทุกข์มาย่ำยีหัวใจของตัวเองก็ทาไมต้องเป็นเราทาไมต้องเป็นเรา แต่ตอนทําไม่ค่อยคํานึงตอนทําไม่ค่อยคํำนึงแต่ตอนเวลาทุกเวลาผลมันให้โทษขึ้นมาเวลาผลมันให้ขึ้นมาทําไมต้องเป็นเราทําไมต้องเป็นเราตรงนี้พิจารณาให้ดีจะลืมตัวลืมตัวเมื่อไหรก็เจ๊งอคราวว่าไปเจ๊งพระเจาประสงค์เนี่ยไเจ๊งลืมตัวทีไรเมื่อไรเนี่ยไเจ๊ง ลืมตัวที่ไหลกีล่เละก็เหยียบหัวใจพระลืมตัวที่ไหลเมื่อไหร่มันก็เหยียบกี่เละมก็เหยียบยอมลืมตัวทีไหลเมื่อไหร่มันก็เหยีย บ, ยอ เ, ยยบเอาสินองตาถ้าว่าถูกมันเหยียบร้องอ๊อกอ๊ออ๊ใจมันร้องขอความช่วยเหลือหลงเพลินไปกับมันน่ะแก้แก้แ ก, แก้แทนที่จะแก้ถูกมัดตืมก็ไปอีกรัดก็ไปอีก ขาดใจตายพอแกอ่เจ้าของสาคัญว่าเจ้าของแก่แต่ไในสุดยิ่งเป็นรัดเขา่ารัดเขา่ารัดเขา่ารัดเขา่านั่นคืออะไรโมหะท่านสอนให้เราเจริญปัญญาเจริญสมาธิเจริญปัญญาอย่าลืมมันไม่มีมันไม่มีใครสังคมไหนะจะมีโชคมีวาสนามีบุญญาที่การมีบา ร, รมีเท่ากับสังคมชาวพุทธเราพวกเราเนี่ย แต่มันสำคัญเพราะเราลืมตัวเนี่ยความทุกข์ความเดือดร้อนมันถึงมีดูเถอะเวลาความทุกข์มันเกิดขึ้นเน่ะดูเถอะเวลามันเกิดขึ้นเพราะอะไรดูให้ดีไม่ยอมดูนะสีแสวงหาเอาสิ่งที่เป็นคุณสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่าไปหาแสวงหาแต่ฟืนแต่ไฟมาใส่ตัวเอง เวลามันให้ผลเราร้อนขึ้นมาต้องไม่ต้องเป็นเราต้องมันต้ไม่ต้องเป็นเราดิ้นเอาอยู่นั่นแหละอะคนอื่นเขาเกี่ยวข้องเขาแตะต้องเขาเย็นเจ็บเยียนใจจะของไปแตะต้องร้อนเม่าเหมือนไฟเพราะอะไรกรรมของตัวเองรู้จักบ่กรรมของใครของมันเคยได้ยินเขาเราฟังไหมตายไปยมโลกนะนะไป เขาเอานั้นมาให้กินก็กินไม่ได้เอาวันนี้มาให้กินใหกินไม่ได้หิวหิวหิวจะเป็นจะตายมีคนก็เห็นใจเขาเอามาให้กินอะไรก็แตะไม่ได้อะไรก็แตะไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของเรานั่นแหละคือกรรมกรรมของไข่ของเราอืมถ้าเป็นสมบัติของเราเราจับมันก็เย็นเป็นสมบัติของเราถ้ามันไม่ใช่สมบัติของเราเราจับมันก็ร้อนมันก็เ่าร้อนอืมเราก็พิจารณาดูสมบัติเหล่านี้มันไปจากไหน ไปจากหัวใจของเราดูมาที่หัวใจของเรากําหนดกฎเกณฑ์ศึกษาฝึกฝนอบรมมาที่หัวใจของเราสิ่งนี้เป็นสมบัติประจําอยู่ที่หัวใจของเราวันนี้วันพระตอนบ่ายเราไปกล่าวหลวง ป, ปู่จันเรียนใครไปได้ก็ไปกะเกณฑ์การไปการมาลดลาอะไรกะเกณฑ์กันให้ดีบ่ายโมงฉันน้ําร้อนแล้วพระ แช น, น้ำร้อนแล้วไปก็กะว่าพอดีแหละกลับมาก็ไม่ต้องไม่ให้มันมืดไปวัดเดียวแล้ว ก, กลับมาวัดบ้านก็ให้ไม่ออกไปแล้ววัดน้ำปูนมาวันก่อนนี้ก็ให้พระไปอีกวัดอาจารเด่นวัดท้ำกกดูวัดจันหวางวัดปู่สังโคโยมไม่ได้ไปให้แต่พระไปเพราะรอจังหวะพร้อมกันมันก็ลําบาก เราก็เลยให้มีแต่พระไปเกียรติพาหมู่ไปสองคันรถไปกราบเราก็ไม่ได้ไปด้วยแต่ไปเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอล้งปูกเพงนี้เราก็ต้องไปด้วยอย่างน้อยเรกได้ไปกราบท่านนายพรเออ <c oughs> เอาเอาเอ า, เอา น่ๆๆๆจะลืมกัแล้วพรไงเนี่ยอ้าวักดเนไปอ้าวยิ่มีนายสกายนายรม ขังขุนรามีไมยันเทิสรนิสหังตสนังุโจยาามัีมยังันธ์เิสรนิรัตสา ยัมภูโภชธรรมยาจจมะนาทียัมบีมยัมันตอิสระนรสหังทายังกาสมนากจังูโภชธรรยาจจมะ นโมตัสสะภะคะวะโต a r h a สัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต a r h สัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตร r h a t สัมมาสัมพุทธัสสะ สระนองกาชามีทมังสระนอง a าชามีสังขังสระนองกาชามี i ุติยมปีบุธังสระนองกาชามี ดุติยัมปีธรรมังสารนองกัจฉามิดุติยัมป a สังขังสารนองกัจฉามิตัดิยัมปีบุธังส g รนองกัจฉามิตัดิยัมปีธรรมังสารนองกัจฉามิ สติยัมปีสังขังสรนองกัจจามิสารนกัมมนังนทุตังปานอติปตาเวรมณีสิกขาปังสัมมา diyami อดินนาดานาเวรมณีสิกขาปังสัมาดิยามีเไมสิญข้อสามต่อไปนี้ผู้สมทานศิญห้าพึงว่ากาเมสุมิชฉาจาราอะบรหัมมะจาริยาเวรมณีสิกขาปังสัมาดิยาไิ โมสะวะดาเวรมณีสิกขาปังสะมาดียามิสุราเมรยะมะเจปมาดทโทนาเวรมณีสิกขาปังสะมาดียามิ สิหห้าหมดเพียงเท่านี้วิกาลโภยนาะเวรมณีสิกขาปังสัมมาริยามิานจะจ า, า, า, า, ากีตวาดิตวิสูกดัสนะมาลากันทวิเลปณนะทารณนะมันดอ น, นะวิภูสนทาทนา เวรมนีสิกขาปังสัคมาดิยามิอุต a าศยานะมหศยานะเวรมนีสิกขาปังสัมา d ิยามิ อิมังอธังกะสะมณนนากตังมุทเะปัญญตังอุปโปสตังอิมันจารติอิมันจาริวาสังสมามเดวะอภิรคีตุงสมาดิยามิเขาไปเจ้าสมาทานซึ่งอุโบสถ อันประกอบไปด้วยองค์แปดประการที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วนี้เพื่อจะรักษาไว้ให้ดีไม่ให้ขาดไม่ให้ทำลายสิ้นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งณนะเพลาวันนี้อิมานิอัตถสิกาปดานิอัตเกกังรตินิวังโปสทวเสนสาถูกังรักีตับานิ สีเลนะสุกติงยันติสีเลนะภะคะสัมปดาสีเลนะนิพพุตติงยันติทัตถมาสีลังวิโสทาย ยะทาวาริวะฮาปูราปริปูเรนติสากรังเอวะเมวิตโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชฉาตุสเพปูเรนตุสังกปามจันโทปนารโสยะทามานิโชติราชโสยะทาม นิโยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินาจตุมาเตมภาวะตวันตราโยสุีอิกายุโกมภาวะอภิวาชนสิริสเนจัง จน้อยใจตาลอยธรรมาว่าตาที่อายุวันนสโซข้างภาลังอายุโดบัลโดทีโรวันนอโดปฏิพาณโดสซข้าซาดาตะเมทาวีสซข้างโซธิคัตจิต อายุรัตวาบลังวันนังสุขัญจะปฏิพาณโศดีขายุยาสวะโหตีญยทายาทุปปจจตีเตมภวตุสะปมังกลังราคันตูสะปเดวตาสัพบาทานุภาเวนัสดาโสติภวันตุเตภาวะ ตูสาปะมังกาลังราคันตสซาปเดวตาสมบะธรมานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภาวตุสาปะมังกาลังราคันตสาปเดวตาสามบสังฆานุภาเวนัสดาโสทิม พระวันจุเตม